เรองอีกิบันพาจออภาษาเรอง อ, อีกิสินจออภาษาเดือนหนึ่งมีสี่วันสามเดือนส2บวันส2บสองวันคิดว่าเรามาทุกทุกสุวันพระไห ม, ไมใครที่มาเขาบัลปัตทุกขันพระเล ยกมือลอยจังเลยยกเคยกขึ้นกลางก็ไม่ยังไม่กล้าเห็นไหมแค่เก้าสิบวันสามเดือนกับสิบสองวันเราคิดไปเยอะไหมกับเวลาที่เสียไป8ป็สิบวัน ี๋ย่าพวกเราเนาะิปนะก็นี้วันนี้ปรึกษาพวกเราน็านก็เป็นประชาธิปไตยเขาบอกประชาธิปไตยเอาเฉพาะวัดเราก่อนวัดอื่นเขาไม่ว่ากันเป็นไปได้ไหมพิธีกรรมพิธีเกินพลายแรงนี้ให้พวกเราทำกับเองให้มันจบก่อน พเราจะเสียเวลากับพิธกรรมพมิธีเกินนีเ้เพิ่มในแต่ละวัดในแต่ละพิธีถ้ า, ววารวมต้นจากไหฟ้าสมาทานเสียงตะกาวทั้งหลายเหล่เยอะแยะมากมายก็จะได้กินก็จะได้ฉันบางทีบางวันปลาไว้เกือบสิบโมงก็ยังไม่ได้ฉันเลยปรึกษารเรอเฉพาะวัดเราเท่าเั้นขึนไปได้ไหมายคือไหว้พระ เราไหวเองได้ามาทานศีลเราเรารับศีลเองได้ไหมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระพระไปกติบอกเฉยๆแต่ถ้าบอกเทาไม่รับกับพระก็ไม่แล้วใจมันเหมือนกับสมาทานศีลก็เหมือนกับไหว้พระนั่นแหละเราสามารถที่สมาทานเองได้ เป็นอนัาเนี่ยเป็นประชามตินะคือต่อไปเสร็จก็คือไหายพระเสร็จแล้วก็สมาทานสินกัมมาญงณพันเตนส่วนใครจะรับสินห้าสินแปดก็ว่าเอาเต็มที่เลยเอาสินสิบสิน 200, สอง้อย็ดก็เอาไปเลยเอาสมาทานด้วยตัวเองนะี่แหละตามอัธยาศัยอันนี้ก็อะคือขาธาทานแล้วก็มันจะได้เสร็จง่าย และที่สำคัญเกิเราจะได้รู้และเข้าใจว่าเออเอออย่างนี้เราอยู่บ้านเราก็ทําได้ก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ทําได้เราสามารถที่ทาได้ด้วยตนเองอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นเอาเฉพาะที่วัดเราก่อนวัดอื่นแกจะเป็รื้อวิธีเขามันจะยุ่งยากอันนี้คือตกลงกันแล้วนะต่อไปก็ไปพระเมื่อวัดเสร็จคือ สมาทานสินส่วนกล่าวความต่อวิทานก็ับเรื่องของป้าคนที่เหลยอมันจะเสร็จเร็วเสร็จเร็ว ม, มากเลยทำไมถึงพูดเรื่องนี้ไปรายงานแล้วคนนี้ไปฝังเทศวันนี้เป็นวันบ่นล้วันนี้ประเทศบางคนเขาก็มาหามาการหลวงพ่อบังหลวงพ่อเขาเขาบอกเขาจำได้ ไปงานนะั้นหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรแบบไปเป็นงานไหนพอก็บอกชื่องานบอกเทศเรื่องอะไรพอก็เราสนัส่นแสดงว่าใช้ได้สแสดงว่าใช้ได้จะถามพวกเราคืออีศวรพระจะออกพรรษาแล้วถามหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรจะบอกเราหลวงพ่อเทสเรื่องแกงเหา อยู่ในนั้นแหละอยู่ในแกงเหานั่นแหละพอพ่อออกมาอยู่ในนั้นกดปากกลางไม่เข้าใจแกงเหาะคืออะไรอนะ แ, แกงรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นพรตฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็เข้าใจตรงกันมันจะไม่เย่นเยอะ มันจะมายุ่งเหยิงกับเรื่องเพศกรรจนมากเกินไปเรื่องหนึ่งที่ออกมาถามที่หลวงพ่อพูดไปหลายครั้งหลายรอบเขาบอกเขาจําได้เขายกถึงเรื่องจําเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องเจดี เราจำได้มเรื่องเจดีย์วัดไหนที่นี่พอนึกถึงเจดีย์ปุ๊บเราจะนึกถึงว่าเออมันวัดไหนชวนไป้าอะไรที่ไหนทำไมแต่ละวัดต้องมีเจดีย์เจดีย์เกิดขึ้นยุคไหนเกิดยุคหลังพุทธกาลนี่ เพราะอันนี้เจริญยุ่งเรงลังกาพมา่าบ้านเราในศาสนาพุทธก็มาสามสี่ยุคเริ่มต้นจากแล้จะบอกว่ยุกตันตๆมันก็จะยุคอะไรก็คือมาทางเขมรพูดง่ายศิลปะอะไรแรงจากเขมรทีข้าบาอิธิพลมีอิปิปน ดูจากศิละปะวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติต่อกันมาแต่เมียน้ก็มีศิละปะที่ปยานทางาเรยมาทางเมยนมาทางเรืออั น, นยุคแรกๆมายุคหลังสุดก็คือหลังกาตอนนั้นก็เป็นเรื่องของคนพมา่าที่อิตธิพลได้เข้ามาบ้านเรามายุคมาายานคนง่างยๆตรงนี้น เทราว่าเรามานที่หลังไม่ซ้าไปก่อนอื่นเราเราให้ฟังาเรื่องเรื่องศาสนาเพหวะก็จะจองกันมันเล้พูดเรื่องทั่วไปศาสนาของเราเจริญทุงเงมาเมื่อหลังแปดรอยกว่าปีมันแล้วดัานันก็หายไปเลยแปดร้อยกว่ปีเริ่มต้นจากพระเจ้าอาโศก หลังจา ก, กพระยาบริบุทธิ์เวลาเกือบสามร้อยปีเจอ่กก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากยกุคสังขยาสังขยาบ้านเราไปครั้งที่แปดที่วัดเจ็ดยอดพุทธารามวัดเจ็ดยอดหลังจากนั้นแปดร้อยปีตำราทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นรเรื่องใประตกเรื่องอะไรก็ดี มันเกิดขึ้นหลังเก้ากว่าปีพันปีสิ่งก่อนนั้นหายไปไหนศกษณาของเราหายจากอินเดียก็ไปอยู่สิรังกาเระยะเวลาเป็นระยะเานานาอยู่สิรังกาเสร็จสิงกาก็โดนเยอะกากการเป็นเมืองขึ้นอังเกิดมั่งออนแลนดมั่งโปรตุเกสมั่ง ใครผ่านมันกอมาเป็นกอก็โดนหมดมนศาสนาที่เป็นผู้ศาสนาจริงๆแทบไม่เหลืออะไรเลยโดยพาะขิดตัดตำนานแม้แต่พระสององค์น่นก็ ค, คือแค่จะบวชพระเพื่อให้ครบองค์สงฆ์ห้ารูปสิบรูปเนี่ยยังไม่ได้ทั้งประเทศที่ไปดูมันหายละขนาดนั้นเพราะที่ศาสนาอื่น ศาสนาเอื่นก็คือเราไม่อยากพูดเรื่องก ร, รนะําศาสนาเอื่นก็คือสองศาสนาที่กําลังฆ่ากันทุกวันนี้แหละที่สองประเทศกําลังตอนนี้กําลังฆ่ากันอยู่ตอนนี้เราเนื้อเเองคือ ป, ประเทศไหนอืฆ่ากันไปฆ่ากันมานะพันปีมาแล้วเนาะเพราะความเชื่อวัดตรงนั้นเป็นสถานที่ของพระเจ้า แล้วเขาเคารพพระเจ้าแล้วทำไมไม่เคารพกันเองเพราะทุกคนก็มีพระเจ้าไม่องเดียวทางคนตั้งบอกมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งไม่รู้ใครโกรหกสองศาสนาแเขาก็มีบอกมีพระเจ้าองค์เดียวมาถึงไม่ยอมรับกันก็เพราะอย่างนี้แหละศาสนาที่หายไปจากศรีลังกาส่วนอินเดียหายไปก็เพราะ อันนี้เหมือนกันนาลันทาพระตายเป็นเบือนแกเป็นพูดเป็นพันเป็นหมื่นเลยที่พระตายตำราเน็ตเผาสามพันเจ็ดวันไฟยังลุกเลยจะนักข่าวเต็มเลยสุธากระพราม์ก็ครอบงําโดยสังฆราชประยุกตว่าเออพุทธกับพรามอันเดียวกันสุท้าก็ไม่เหลืออะไรอันนี้คือแรก นสมัยพุทตโกสาจารย์ผู้ตาจารย์เป็นคนอินเดียไปเผยแพร่ในศรีลังกามาพื้นขึ้นมาเป็นระัดาเป็นภรายผีกแปลจากภาษามกขเป็นภาษาสิงหนหอภาษาสิหคือภาษาศรีลังกาคนสิงการ์เปเรียวสิงห์หอ็ไปศรีลังกานาคก็เผยแพร่มาถึงพวกเราพวกเราคือพม่ามอนอาจ แต่ที่สำคัญคือพื้นฐานคือภาษาบาลีหรือภาษามคตเชื่อไหมเราไดรับอิทธิพลก็ประมาณถ้ า, าเจ็ดร้กว่าปีวันี้เองเจ็ดเจ็ดร้อกว่าปีวันี้ในส่วนหนึ่งสองร้อยสรอยกว่าปีเราก็โดนพมา่มาครอบงำคือเมืองพูกามแต่เราไม่พูดถึงเลยเราโดนพมา้าครอบงามาสองร้อยกว่าปีเพราะนั้นพิติกรรมพฤธิกลินตลาดเลยต้อมาจากพมาก่า ตำราทั้งละเลกแล้วมเกิดพ ม, มาอภิธรรมนี่ก็คือพมา่าเป็นแต่งหลายตำราที่เราเรียนที่เราจํำกันทุกวันแต่งขึ้นที่หลังทั้งนั้นแปรเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวเป็นปฏิปโตวิชิตที่มกักในกแต่งขึ้นที่หลังโดยะพระพุทธโคษาจารย์แปรเข้าใจตรงกันที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยหมายถึงเรียนบาลี เราก็เรียนพวกนี้แหละเรียนสิ่งที่มันแต่งขึ้นมาทีหลังจนถึงประโยกแปดสุประโยกเก้าเป็นการแต่งเราก็เรียนแค่นี้เองเราเข้าใจว่าอันนี้คือหลักใหญ่ใจความที่เราปัจจกระเดิมันไม่ใช่งั้นเพื่ออยากเข้าใจตรงกันว่าว่าอันอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่งีอบอกว่าทําไมจำได้ไหมหลวงพ่อพูดถึงทีดีเพื่อให้เข้าใจง่าย มต้องไปอิงอะไรเลยก็อยากพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันจะได้เห็นภาพรวมตรงกันเรื่องจรดีจะดีและแต่ศิลปะไปดังแคเมกเก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคมเมนต้องไม่ลืมว่าเขามาจากมหายาน เดิมทีก็คือพวกพราม์ฮินดูถ้าเราดูศิลปะาลาแหลงจะเป็นรูปขอร่างอยที่ดีมันจะคล้ายๆกันร่างนาต่างมันจะคล้ายๆกันแต่วนะ่าทารังกาอาตัมพามาติอีกแบบหนึ่งร่างกายเขาก็อีกแบบเป็นระฆังความอาตัมพมาติก็เช่นเดียวกันมาบ้านเราก็หลากหลายรูปแบบ แต่สาระสาคัญที่จะถือที่จะบอกพวกเราก็คือคําว่าจดีเนี่ยถ้าเราไม่มองที่เป็นที่เป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเนื้อหาของเขาเออกแค่รูปยังไม่เอาน้ำแล้วเหมือนกับคนเราเนี่ยเหมือนคนเราเมนนราีรูปกับน้าถ้าจดีเนี่ยก็เหมือนหอนวยกับรูปเรามองไปที่รูปก่อนรูปร่างของจีดีไม่ว่าจะเป็น จีดีทรงเหลีล่ยมระฆังคว่ำอะไรก็แล้วแต่อันอั้นเป็เรื่องขอกศิละปะแต่ที่กําลังใจจะสื่อให้พวกเราฟังก็คือจีดีเนี่ยทำตั้งบรรยากาศไม่ได้นี่คือความจริงข้อหนึ่งันตั้งบรรยากาศไม่ได้ก็แปลว่ามันตั้งบนพื้นดินคือมันวางบนพื้นดินนี่คือประการที่หนึ่งการที่สองก็คือรูปร่างของจีดีแล้วถ้าเรามาเป็น รูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ก็ได้รูปสองรูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปเลีขาคณิตตั้งอามาจะรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมออกมาแล้วถ้าตีมามันก็รูปสามเหลี่ยมนคือข้างล่างใหญ่่สุดก็จะเรียวๆๆไปจนยอดเป็นเล็กที่สุดถ้าตีเป็นสามเหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็นรูประฆังความหรือทรงจีเดียมก็ต่งางแต่มารูปแบบนี้นี่ยมันเป็นปริศนาธรรมที่สอนพวกเราถ้ามองเห็นเป็นรูปรธรรมผู้เห็นชัดเจนว่าจะดีถ้าเป็นรูประฆังรวอมเขาจะไม่มีชั้นแต่จะีเดียมของบ้านเราเนี่ยพวกเราเคยนะว่ามันมีกี่ชั้น จะดีว่าเรามีกี่ชั้นก็ได้แต่ยกมือไหวส้สาธุสาอื่นถามว่ากี่ชั้นเอต้องกลับไปนับดูก่อนไม่เห็นไหมเราดูแค่รูปแท่ร่างจะกลายเป็นความจําเรียสัญญาว็ตัวประสงค์คือต้องการให้เราเข้าใจที่เป็นสนารธรรมที่มันซ่อนอยู่ว่าฐานแรกฐานหนึ่งสองสามสห้า ฐานแรกก็จะเยอะหน่อยคือใหญ่หน่อยฐานสองเข้าไปก็ปจะเล็กลองเล็ลกรองจนเป็นสียอดมันบอกว่าฐานชั้นแรกนี้นะมันเกี่ยวกับคนคนคืออะไรคนจะต้องเป็นคนอย่างไรคนก็คือสิ่งที่เรารับไปนี่แหละคือสีหานี่นะ ถ้าสินห้าไม่ครอบมันเป็นได้แค่คนนะคิดถ<ม>ึเอวมนุษย์ตอนนี้โลกเรามีแปดพันล้านประมาณแปดพันล้านประกาศปีนี้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับศาสนาเดียวเลยมีมาแปดพันล้าน<ม>ว่าฐานแรกก็คือคนทีนี้เข า, าคนก็คือมีสินบ้างไม่มีสินบ้างนี่คือคน ถามว่า8ปด0ันล้านเนี่ยมีสินแว่งมีมีสักกี่คนอาจจะไม่ได้วันหนึ่งอาจจะรักษาได้หนึ่งข้อสองข้อสามข้อก็ค e nah. ือไม่ครบอันน <ha> <t kindergarten> ี้คือคนเป็นได้แค่คนเป็นได้แค่ฐานแรกถานที่สองก็คือเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คืออะไรสินหาครบ เราสาศสีน้าเขาเดนมาลดทันทีสาที่สองตาที่สามก็เป็นพระละพระก็ไร่ระดับลงไปหนึ่งสาสีโซดาสกัดธาตาคาระอันตาคือยอดลักเองไม่มีอะไรมากอันนี้แล้วแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือจากคนล่ะที่ตําก่าคนก็คือที่อยู่ในพันดินนั่นแหละ มีอะไรบ้างที่อยู่ติดดินหูห ม, มากาะไก่ย่างมมาบัวควยกุ้งหอยปูลปลาหมดแมงสารพัฒยุ่งติดทะเลก้นทะเลอันนี้สินสักตัวก็ไม่มี เ, เป็นประเภทที่ยะที่สุดทตนี้มาดูตรงไหนไปนี้ใจใจของคุณเราเนี่ย ในขณะที่ใจหรือว่าจิตของคนเราไม่มีสินสักตัวมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนนี้เหมือนสองประเทศที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องถามหาสินนะเพราะในขณะ น, นี้ในนาที่เกิดอยู่อย่างนี้เรียว่าตอนนั้นมันเป็นคนยังไม่ได้เลยหมายถึงจิตหมายถึงใจเป็นคนยังไม่ได้เลยเห็นไหมตอนสำคัญมันต่ากว่าคน ไม่มีศีลพวกเราอโอนายจะโกร้องน้องดูวันไหนถ้าเราไม่มีศีลเลยเนี่ยเนี่ยอก็คือสัญลักษณ์ศีลสักตัวก็ไม่มีบอกพูดถึงศีลแล้วมันราคาโออันนี้คือก่อสขขนสำคัญเพราะนั้นมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นศีล น, นี่เป็นเรื่องของตัวเราบอกเป็นดังก็คือให้เรารับเองได้สมบูรณ์ทานี้ วันวนหนึ่งเราท้อวรสิ่งเหล่านี้พระเจ้าของเราสอนในสมัยพุทธกาลถ้าขาดนี่พื้นฐานเลยสิ่งที่พระเจ้าสอน5อย่างคืออนุปวิกถ า, าในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าจะสอนสิ่งที่ง่ายๆแต่สิ่งที่มันยากคือพูดถึงเรื่องทานศิ่งสวรรค์โทษของกามและการำดำเนินออกจากการม แค่ห้าหัวข้อแค่ น, นี้คนแรกที่ฟังเรื่องลูงกกระดานคือพระยศกุลบุตรยศกุลบุตรถึงบุตรมาเสด็จถีไอ้คนมั่งมีรไอ้คนติดสุขพูดยางไงก็จะพาลานาเรื่องนี้แ ต, ต่โมแต่ติดสุขโมแต่กอบโมสมบัติโดยไม่รู้จักทานคือการให้โดยไม่รักษาศีลโดยไม่เห็นโทษของการมคุณโทษของการแล้วก็มันม่มีการออกจากการมเลย หข้อนึ่งพุทธเจ้าเทศเยอะที่สุดในบรรดากันเทศถ้าถามว่ากันไหนที่พุทธเจ้าเทศเยอะที่สุดคือกันนี้แหละไอ้ที่พื้นฐานก่อนห้าข้อห้าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องพิพิธเทศบ่อยแสดงว่าสําคัญคือพื้นฐานเป็นพื้นฐานของมนุษย์เลยเจะพูดเรื่องนี้แหละ ดันั้นก็วันนี้ก็ฝากพวกเราให้พวกเราไปสร้างกีจดนะีอย่าไปอยู่ใต้ดินนะอย่าไปอยู่ใต้ดินอย่าไปยั่งเข้าอยู่นะคนนั้นเข้าอยู่เยอะแล้วอยู่ก็เยอะพองเราอีกพวกมุดรูอยู่ขุดรูอยู่เห็นไหมปัจจัยสีไม่ต้องมาพูดถึงที่เราเรียกหาเรแสวงหาไม่ต้องพูดถึงอยารักษาโรคบ้านช่องห้องหออาหารทำอาหากิน ยารักษาโรคอะไรนไม่ต้องไปถามหาโรงพยาบาลไม่ต้องถามหาเรียกวปัจเจศีไม่ต้องถามหาถ้าคนไม่มีศีลเป็นพืน้นฐานก็จะเป็นอย่างนั้นหนักเขก็จะอยู่อย่างนั้นหมายว่าจิตออกจากร่างแล้วมันก็จะไหลไปตามภูมิกลุ่มคือชั้นของจิตถ้ามันต่ําที่มันต่ำเร า, าคิดได้ไม่ได้สังอย่างศีลห้าไม่ไดักอย่างก็นั่นเขาเรียกว่าอบายอบา ย, ยามุกเรียกว่าอบาย อบายภูมิขับไปก็เรียกว่าอบายภูมิชั้นของไปคือนรกเปรดอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสีเรื่องแค่นี้แหละที่มันจะต้องไหลไปอย่างนี้ถ้าศีลไม่มีสักตัวนะแต่ถ้าเรามีศีลเป็ตัวเราไม่ต้องไปห่วงของพวกนั้นเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นเครื่องป้องกันของพวกเราให้ยกระดับจิตของเราเป็นเครื่องหลักประกันประกันอะไรประกันสังคมเรากม่ต้องไปถามหาแล้ว ประกันชีวิตประกันชีวิตตัวเองเราไม่ต้องไปตามหาบริษัทอะไรแล้วนี่คือหลักประกันคําว่าประกันประกันสุขภาพไม่ต้องเป็นห่วงใครจะทุบตีทำลายร่างกายนี่คือประกันสุขภาพนะถ้าหลักประกันที่เราทําทํากันอยู่ทุกวันมันครบหมดเลยธรามีศีห้านะเนี่ยคือหลักประกันจริงๆ อยากให้พวกเราตั้งใจโอวันนั้นจะโกน้อมาดูว่าจริงไหมจริงเสร็จแล้วก็ไปสร้างหลักประกันกับตัวเอง2องไปสร้างกิจดีเองนะแล้วก็ง่ายไม่ต้องไปลงทุนซักบาทเลยไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทานบาทตอนนั้นตอนนี้ น, นี่คือสร้างกิจดีนะถ้าใครอยู่ส่วนยอดที่สุดคือพระพระกี่ใจเป็นพระที่ใจพวกเราเป็นพระได้หมดอะผู้หญิงผู้ชาย ใครเป็นพระเป็นพระที่ใจไม่ได้เป็นพระที่กายอยากพวกเราเป็นว่าวายพระพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือควายพระก็รับสิ่งเองใจตรงกันนะปีจะว่ามมันเกิดอะไรขึ้นเราก็าทำเฉพาะวัดเรานัวยแหละวัดอื่นนี่นเขาก็ทอต้านกันเองพอเราทําจนชิดนละทําจนไม่มีความรู้มีความว่างใจทำสักแต่ว่าทําทํตาตามกันมา ก็เป็นเรื่องของพวกเรานั่นก็คือสั้นๆป่าพวกเราป่านี้ก็คือหนึ่งให้ไปสร้างหลักประกันของตัวเองสองไปสร้างดี่ดีก่อให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าที่จะสูงได้ไม่งั้นเราจะไม่มีอยู่นะแต่มีที่อยู่คือแผ่นดินนี่แหละก็จะอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นนะสหะสเปซสตารเราก็จะอยู่อย่างนั้น เสื้อผ้าอาปอไม่ต้องไปทำหางไม่ต้องนุงเสือนุ่งผ้ากันแล้วอาหารจะกินตังไหนก็กินดิบสุกไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าหนออาหารไม่ต้องเผื่อจะเป็นจะตายไม่ต้องพูดถึงขอแค่ได้กินคนหนึ่งยังเล่นกระเดีวกระเดีอยวคนหนึ่ง ก, กัดกินเอาเห็นไหมความแตกต่างของจิตใจความ ร, าาร่าแก่ของจิตใจคนที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติคนที่มีศีลไม่มีศีล น, นี่คือความแตกต่างนี่ความโหมดร้ายความเมตตา มันต่างกันอย่างทั้งหมดนี้อยู่ที่พวกเราเลือกเลือกได้ ห, หมดอ่ะหรือไม่เลือกเลยก็อยู่ที่พวกเราเพราะนั้นศาสนาจริงเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของคนถ้าเราไม่โอปปะญิโกคือน้อมเอาไปใช้จริงๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเกิดเปลี่ยนเพี้ยไปฟังสมองเหมือนเข้าปลาอาหารตอนนี้กําลังมองทั้งพระทั้งเล น, นทั้งตัวเนี่ยเวลากําลังจ้ังอยู่เนี่ย รู้ว่าอาหารเป็นประโยชน์นะแต่ไม่หยิบเข้าปากจะรู้รสของมันไหมหลักคําก็เหมือนกันรู้ว่าธรรมะมีประโยชน์มีคุณค่าแต่เราไม่ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้รสของพระธรรมคือไม่หยิบเข้าปากนั่นเองตอนนั้นหยิบบ้างก็หยิบเข้าปากบ้างร่างกายเราก็อยู่ได้วันไหนไม่หยิบอาหารเข้าปากเนี่ยอยู่ไม่ได้นะให้เรานักถึงใจเหมือนกันะ ถ้าวันไหนเราไม่มีธรรมะอะไรเลยนึกอะไรไม่ได้เลยใจมันจะเป็นยังไงก็อ่านข้อใจคือธรรมะอ่านข้อกายคือที่เรากําลังจะกินอยู่นะแต่อ่านข้อกายกินแล้วมันออกไปนะกินแล้วก็ออกไปทุกวันทุกวันอยู่อนี้แล้วก็ป้อนทุกวันออกทุกวันแลอวมันรั่วทุกวันล่ะเข้าทางออกทางเข้าทางออกทางอยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้สึกตัวตัวเองจริงๆแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ ชีวิตของเราอยู่ได้ก็เพราะกันเข้าออ ก, กันออ ก, กเข้าออกโดยผู้เจ้าประมวลลงล้ลมหายใจให้ดูลมหายใจเราเยอะเยอะถ้าไม่มีเมื่ อ, อไหร่หมดทุกอย่างที่มีอยู่ดินน้าไฟถ้าเราหมดคือหมดจริงๆเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้คือหลักหลักพูดหลักคิดในชิตประจำวันอยากให้พวกเรา Open นไอโกน้อมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมันจะมีประโยชน์ ประโยชทั้าทางทาธรรมในทางโลกทางกายและทางใจก็จะเป็นหลักคิดอะไรก็มีหลักพูดอะไรก็มีหลักทำอะไรก็มีหลักเดยคนมีหลักมืหลักการนั่นเองออนครโมทนากุศลเจตนานิพพุรรตทั้งหลายได้เข้ามาวัดฟังธรรมแจ่มพระสิงข้าวนานในวันนี้ก็อยากให้พวกเราได้สิ่งที่เป็นถาวรไม่ใช่ชั่วคราวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้วันที่เป็นถาวรได้ต้องสร้างคิดดีเองนะ ถ้าเจดีย์จะไปขอแก่ฐานแค่รากแล้วก็จบคิดว่าแค่มีศีลก็พอแล้วมันไม่พอนะศีลที่มันสูงกว่าศีลมันมีนะแต่สุดที่สูงสุดเมื่อถึงสูงที่สุดแล้วตอนไม่ต้องไปหวอะไรแล้วชีวิตเราไมต้องไปหวังแล้วรับประกันเราครบแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วประกันนี้ประกันหนะ้าไม่ใช่ชีวิตนี้ชาตินี้จนถึงชาติหน้าเป็นหลักประกันอย่างดีเลย ขออนุโมทนาในกสทาของเราทุกคนขอความดีอันนี้จะเป็นเครื่องปูปังรักษาคุ่มกองดูแลเราให้มีความสุขควาเจริญอยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่แบบธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทั้งโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเตือน